ลงปฏิสารณียกรรมโดยไม่ชอบธรรมลำดับนั้นท่านพระยศกา ก, ากนดกบุตรบอกพวกภิกษุวัดชีบุตรชาวกรุงเวสาลีดังนี้ว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า สงพึงให้อนุทูตแก่ภิกษุผู้ถูกลงปฏิสารณียกรรมพวกท่านจงให้อนุทูตแก่เราครั้งนั้นพวกภิกษุวัดชีบุตรชาวกรุงเวสาลีจึงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งให้เป็นอนุทูตแก่ท่านพระยศากากันดกบุตรต่อมาท่านพระยศากากันดกบุตรพร้อมพระอนุทูต พากันเข้าไปกรุงเวสาลีแล้วชี้แจงพวกอุบาสกอุบาสิกาชาวกรุงเวสาลีดังนี้ว่าอาตมากล่าวอาธรรมว่าเป็นอธรรมกล่าวธรรมว่าเป็นธรรมกล่าวสิ่งมิใช่วิไนว่าเป็นสิ่งมิใช่วิไนกล่าววิไนว่าเป็นวิไนแต่กลับถูกกล่าวหาว่า ด่าบริพาทอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธาเลื่อมใสทำให้เขาหมดศรัทธา